ได้เรียนลองไตรตรองนานชารู้จำผ้ายเพียงผู้ได้เป็นนายเอ็งปัญญาจึงกล้ากล้าท่วงทันสัจจานั้นเลิดยิ่งสามันปัญญาพระพุทธ